มันภาษารโบทเนี่ยท่านก็สแสวงหาโจทย์อันนี้เนี่ยนะทุ่มเททุกอย่างในที่สุดก็พบผู้ที่เขาแสดงได้ว่าทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือคําว่าธรรไหนที่นี้หมายถึงชรามรณะธรรมะคือชาติธรรมะคือพบก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าจะดับมันก็ต้องดับที่เหตุและไอข้อปฏิบัติที่ไปรู้ไปเห็นอย่างนี้นี่แหละที่ทําให้ดับได้เนี่ยนะอ่าเขาเรียกว่า อารยมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่รู้เห็นความเกิดและความดับมรรคนี่เป็นทัศนัตโถเนี่ยน ะ, ะเหตุเกิดก็คือสมุทัยสัตว์นิทานัตโถแล้วก็ความดับก็พวกนิสรณัตโถส่วนมรรคนี่ก็คือคอัตถาว่าเข้าไปเห็นเห็นอุปาทานขันท่าเห็นความเกิดของอุปาทานขันท่าเห็นธรรมะที่ดับอุปาทานขันท่าไม่ใช่สักด์แต่ว่าดับแบบแบบดับทั่วๆไปนะไม่ใช่แต่ธรรมเป็นที่ดับธรรมะเป็นที่ดับ มันอสังคตะธรรมเนี่ยแปล е ว่าธรรมที่ดับสังคตเนี่ยนะนิพานนั้นมีอัตถว่าอาสังคตะแปล е ว่าธรรมเป็นที่ดับสังคตะเพราะถ้าผู้ใดตรัสรู้อสังคตะแล้วสังคตธรรมทั้งหลายจับดับไปเรียกว่าธรรมเป็นที่ดับสังคตะเพราะว่าพระนิพานนั้นมีสภาวะอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่าแบบอะไรแค่แท่ตันหาดับถ้าตันหาดับเอาจากครูวิญ ญ, ญาณขณะที่สมมติว่าขณะเห็นจากครูวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นถามว่าตันหาที่เกิดก่อนหน้านั้นดับไปยัง ก็ดับไปแล้วแต่ว่าทำไมไม่เรียกว่าจาักคูวิญญาณเป็นธรรมที่ดับตันหาล่ะก็เพราะอะไรพันธ์ก็มีโจทย์อะไรให้ให้ไขครววอีกมากมายเนี่ยนะก็ค่อยๆศึกษาไปนะก็ตั้งถามๆคำๆไปไ ง, ไงั้นแหะใครไม่ํำด้วยก็ไม่เป็นไรํำคนเดียวก็ได้ภ <laughs> <laughs> าษาญิุ่ตรก็บรรลุเรียบร้อยเลยนะเอาทั้งก็ได้แต่อัฏถะไปแล้วไง อัฏอัฏฐตัวเนี้นบางทีแปลว่าประโยชน์ว่าแสดงแต่ประโยชน์สูงสุดก็พอแล้วว่างั้นท่านก็ได้ประโยชน์เห็นพระนิพพานเพราะว่าภาษาริบบทเนี่ยตอนนี้โสดาปฏิมักท่านเกิดขึ้นเห็นพระนิพพานแล้วแต่การที่จะเห็นพระนิพพานโดยไม่กําหนดรู้ทุกละสมุทรยเนี่ยนะเจริญมักไม่พอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วละ่ะต่อมาสาิบุตรปริภาชกเนี่ยนะก็เลยเกระเปลียนถามพระอัสสชิว่า ตอนนี้พระพุทธเจ้าภาษาสดาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ที่เวลุวันกาลันทกานิวาปัสถานก็เลยกราบเรียนท่านว่าให้ท่านกลับไปก่อนเดี๋ยวได้รับปากกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะเข้าไปหาเพื่อนแล้วก็จะชวนเพื่อนเข้าไปหาเฝ้าพระพุทธเจ้านะก็ขอ น, นิมนต์ท่านกลับไปก่อนเถอะมันภาษาดิบปริภาชกก็เลยเข้าไปหาโมกขลานะปริภาชกโมกขลานะปริภาชกเห็นภาษาริบุตรปริภาชกเดินมาแต่ไกล คันแล้วก็ถามสารีบรปริพาชวะผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านนี้ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็บริสุทธิ์ผุดผ่องท่านได้บรรลุอมตะธรรมแล้วกระมังหนอแสดงว่าถ้าแบบอะไรนะคนป่วยใช่ไหมคนป่วยหายาดีที่ระ ง, งับดับโรคเอ๋ปกติทุกวันทุกวันก็เห็นเดินเส่งซึมมาตลอดวันนี้หน้าตายินมย้นแจ่มใสแสดงว่าได้ยาดีมาฉันใดเนี่ยนะคนที่สแสวงหายาเป็นที่ดับสมุทยัยทั้งหลายดับเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องพบอริยมรรคและแทงตลอดพระนิพพาน เป็นที่ดับทุกแล้วเป็นแน่ภาษารีบทก็บอกถูกต้องถูกแล้วละอวุโสเราได้บรรลุอ ม, มะตะธรรมแล้วเห็นแล้วว่างั้นพระโมคคัลลานะก็ถามว่าท่านบรรลุอ ม, มะตะธรรมได้อย่างไรด้วยวิธีใดขอบอกวิธีข้อปฏิบัติด้วยเถอะก็คืออย่างพระพุทธศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยโดยสับหมายถึงข้อปฏิบัตินะ พุทธศาสนาเนี่ยคือคำสอนที่ประกอบไปด้วยศีกขาสามอธิศินอธิจิตและอธิปัญญาพระพุทธศาสนากล่าวถึงข้อปฏิบัติมุ่งไปที่ข้อปฏิบัติมันข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุอมตะธรรมให้บรรลุธรรมที่ไม่ตายเนี่ยด้วยวิธีอะไร ภาษาริบด์ก็เล่าเท้าความหลังให้ฟังว่าอวุโสวันนี้เราได้เห็นพระสชิกําลังเที่ยวบินธบาตในพระนครราชครึกมีมารยาทก้าวไปถอยกลับแลเหลียวคู่เหยียดหน้าเลื่อมสายมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบดครั้นแล้วเราได้มีความนําเรว่าบรรดาพระอารหันต์หรือท่านผู้ได้บรรลุอรหั ต, ตมรักในโลกพิกษรรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ถ้าการะไรเราพึ่งเข้าไปหาพิกษรรูปนี้แล้วเรียนถามท่านว่า ท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครเรานั้นได้มีความยั้งคิดว่ายังเป็นกาละที่ไม่สมควรจะถามภิกษุรูปนี้เพราะท่านกําลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบินทบาติเพียงฉะนั้นเราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังไปข้างหลังเพราะเป็นทางอันผู้มุ่งประโยชน์ทั้งหลายจะต้องสนใจลําดับนั้นพระอัสชิก็เที่ยวบินทบาติในพระนครราชครึก ถือบินธบาตกลับไปแล้วต่อมาเราก็เข้าไปหาพระอัชชิครั้นถึงแล้วได้พูดปราศัยกับท่านพระอัชชิครั้นผ่านการปราศัยพอให้เป็นที่บันเทิงใจเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้วก็ได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคํานี้ต่อพระอัชชิว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพัรุ์ของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครครับ พระสัชชีก็ตอบว่ามีอยู่อาวุโสพระมหาสมณาสักยะบุตรเสด็จออกพนวดจากสักยัสตระกูลเราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราและเราชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาวุโสเราได้ถามท่านพระสัชชีต่อไปอีกว่าก็พระศาสดาของท่านสอนอย่างไรแนะนําอย่างไร พระอัศเชิก็ตอบว่าเราเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านอย่างกว้างขวางแต่จะ ก, กล่าวแต่ใจความแก่ท่านโดยย่อเราก็ได้กล่าวเรียมท่านว่าน้อยหรือมากก็ น, นิมนต์กล่าวไปเถิดท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการใจความอย่างเดียวท่านจักทาพยัญชนะให้มากไปทําไมอาวุโสครั้งนั้นพระอัศเชิก็ได้กล่าวคํานี้ว่า ทรรมเหล่าใดามีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถ า, าคตทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้พระโมคคัลลานะได้ฟังธรรมะปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าโสดาปฏิมา ก, ก็เกิดขึ้นเหมือนกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรม ด, ดับตัวนั้นเป็นนิโรสัจเนี่ยนะ ได้เกิดขึ้นแก่โมฆคลานะปริภาชกท่านก็ บ, บรรลุไปอีกแล้วนะของเราก็นั่งอยู่กันเฉยๆเนี่ยพโมคะลานะก็แป่งเป็นอุทานว่าธรรมะนี่แหละถ้ามีก็เพียงนี้เท่านั้นคือคือพระนิพพานเนี่ยนะมันก็มีเพียงนี้แหละท่านทั้งหลายแทงตลอดบทอันหาความโศกไม่ได้บทตัวนี้เป็นชื่อของนิพพา น, นนะบทคือพระนิพพานที่ไม่มีความโศก ก็คือคำ ว, ว่าพระนิพพานนั้นเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีปริเทวะไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีอุปายาตนะไม่มีความคับแค้นใจเป็นบทที่สงบจากขันทั้งหลายเป็นบทที่หาความโศกไม่ได้บทนี้ที่พวกเรายังไม่เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับท่านนึกได้นะว่าท่านมากันยังไงเนี่ยนะปัญญาของท่านนี่มีมากเก่งๆท่านทบทวนได้เลยว่าเราเนี่ยแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเป็น หมื่นกลับแล้วอย่าลืมว่าสองท่านนี้สั่งสมบา ร, รมีมาเท่าไรหนึ่งอสงไขยแสนกลับท่านตั้งความปรารถนาเป็นอาัคารสาวกตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมาทศีเนี่ยนะพระนามว่าอโนมาทศีเมือ่อเมื่อไหร่เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่เลิกฟังก็ได้ฟังนั่นแหละั้งหน้าข้างนั้นพระโมกขลานะปริภาชกก็ชักชวนพภาษารีบุตรปริภาชกว่าผู้มีอายุ เราพากันไปสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นภาษาสดาของเราภาษารีบุตรปริพาช ก, ก็กล่าวว่าผู้มีอายุปริพาชกห้าร้อยคนนี้อาศัยเราเห็นแก่เราจึงอยู่ในสำนักนี้จงบอกกล่าวพวกนั้นก่อนพวกนั้นจัดทำตามที่เข้าใจภาษารีบุตรโมคลานะก็เข้าไปหาปริพาชกเหล่านั้นคือวันที่ภาษารีบุตรออกบวชเนี่ยนะ วันนั้นอะที่ที่ไปดูละครเนี่ยก็นั่งรถกันไปกับบริวารมีบริวารในประมาณพันคนเนี่ยนะคือมีบริวารคนละห้าร้อยคนละห้าร้อก็นั่งรถอย่างดีไปเลยนั่นแหละนี้พอพอคิดจะบวชแค่นั้นแหละไม่กลับบ้านเลยก็เลยบอกว่าไอไอคนคนที่เหลือนะเอาสมมติอะมีลูกศิษย์มาคนนะเนี่ก็เออเอาชุดหนึ่งเอารถกลับไปใครจะบวชก็บวชไปไอพวกที่ไม่บวชก็เอารถกลับไปบ้านก็แล้วกัน วันนั้นก็เลยวันนั้นมีบวชมาด้วยสองห้าคนท่านก็เลยเข้าไปหาบอกว่าท่านทั้งหลายเราจะไปในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาของเราปริพาชกก็ตอบว่าพวกข้าพเจ้าอาศัยท่านเห็นแก่ท่านจึงอยู่ในสํานักนี้ถ้าท่านจักประพฤติพรหมจรรย์นในพระมหาสมณะพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดก็จักประพฤติพรหมจรรย์นในพระมหาสมณะด้วย ภาษารีบุตรพโมคันลานะก็เข้าไปหาจารย์สัญชัยปริภาชกแล้วก็เรียนว่าท่านครับพวกกระผมจะไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกผมสัญชัยปริภาโชกก็ห้ามเลยอย่าเลยท่านทั้งหลายอย่าไปเลยเนี่ยนะ เราทั้งหมดสามคนนี่แหละจากช่วยกันบริหารคณะนี้คณะนี้มันคณะใหญ่คนก็เลื่อมใสกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วมาช่วยกันบริหารคณะนี่แหละแม้ครั้งที่ 2, สองภาษาดิบทก็เรียนว่าท่านครับพว ก, กผมจะไปในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระาศาสดา ข, ของพวกผมแม้ครั้งที่สองอาจารย์สันชัยก็ไปยาเลยท่านทั้งหลายยาไปเลยเราทั้งหมดสามคนช่วยกันบริหารคณะนี้ แม้ครั้งที่สามสารีบุตรโมคขลานะก็กล่าวคํานี้ต่อสันชัยปริภาชกว่าท่านครับพวกรผมจะไปในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสด า, าของพวกผมอาจารย์สันชัยปริภาชกห้ามว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายอย่าไปเลยถ้าเราทั้งหมด3ามคนเนี่ยช่วยกันบริหารคณะนี้นะเสร็จแล้วก็ภาษาจริงในคาถาธรรมบทก็จะมีกล่าวต่อไปอีกว่าอาจารย์ลทัทธิของอาจารย์นี่มันไม่มีอะไรเลยนะ มันว่างเปล่าจริงๆมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยก็บอกว่าในโลกเนี้คนโง่ามากหรือฉลาดมากเขาบอกโง่ามากเออพวกฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าพวกโง่ๆก็มาสำนักเราก็นละกัน ก, แก็แล้วก็อีกนายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์หวังว่าลาบสการะเนี่ยมันจะมีนะต่อไปเนี่ยเขาก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าทั้ ง, งนั้นแหละมีใครบูชาอาจารย์หรอกก็บอกโอ้ยชั้นเนี่ยนะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเป็นอาจารย์มานานจะให้ชั้นเนี่ย ไปเป็นลูกศิษย์เขายังไงมันก็เหมือนกับว่าไปอยู่ในตุ่มอ่ะนะไปเป็นคล้ายๆว่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ขนาดนี้จะไปให้เป็นก้นกุฏิเขาเลยเดี๋ยนะกลายไปเป็นแหม่ศิษย์ใหม่มาเลยเนี่ยทําใจไม่ได้หรอกไปกันเถอะใครอยากไปก็ไป ก, ไ, ปกไม่เอาด้วยหรอกว่าเัินจะขออยู่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่นี่ครับเงินถ้าว่าขอเป็นที่หนึ่งในหมู่คนพานด้วยกันก็ยังดีกว่าไปเป็นคนที่โหลที่สุดในหมู่บัณฑิตเพราะงั้ น, นเอ่อพวกนี้ก็อะไรนะยินดีขนาดนี้เลยนะ ก็เรียกว่าขอเป็นหัวหน้าเจ้าหมู่เจ้าคณะในหมู่คนโง่ด้วยกันดีกว่าไปเป็นสุดท้ายที่สุดของหมู่บัณฑิตเหมือนกันก็เพราะว่าขอเป็นที่หนึ่งของนกักเรียนชั้นปัญญาอ่อนดีกว่าเป็นที่โหลของห้องคิงนี่วะ <c oughs> ก็ประคายแบบนี้นะคนเชื่อไหมคนเนี้ยคิดแบบนี้เยอะนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องค้าคั่นนะมันคิดอย่างนี้กันไม่ใช่น้อยจริงๆเลยมันไม่รู้อะไรมันเข้าสิงเข้าแทรกก็ไม่ทราบ ภาษารียบบทพระโมคคัลลานะก็พาปริพาชก250คนเนี่ยนะจริงๆอะ่ะออกมาจากวัดนี้500คนเลยลูกศิษย์เนี่ยเดินออกจากวัด500คนพร้อมกันโลหิตร้อนๆก็พุ่งออกจากปากสันชัยปริภาชกกรอักเลือดเลยนะลาบสการะเนี่ยมันเรียกว่าอะไรจะรุนแรงร้ายแรงเท่ากับลาบสการะเพราะว่าคาว่าบริวารเนี่ยเป็นที่มาแห่งลาบสการะถ้าบริวารเดินจากไปหมดเนี่ยนะลาบสการะก็ ลดลงนั้นเห็นการเดินจากไปของบริวารจริงก็ไม่ได้ห่วงคนพวกนั้นหรอกแต่ห่วงลาบสการะที่ควรจะได้ติดตามมาพั้นก็บอกว่าสูญเสียบริวารขนาดนี้สูญเสียขนาดนี้ก็เลยเครียดจัดเลยนะเครียดจัดถึงขนาดว่าใจโรคกระเพาะกำเริบเลยทางเดินอาหารเนี่ยขูดลอกไปหมดนะเลือด ก, ก็เลยพุ่งออกมาเลยแต่ก็แหมลูกศิษย์เนี่ยเดินถอยกลับไปหาอาจารย์ใน2่ยห้าสิบเลยนะกลับคืนไปหาอาจารย์ใน2่ยห อีก250ก็ติดตามภาษาริบุตรพระโมคขลานะไปพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นสารีบทพระโมคขลานะมาแต่ไกลเทียวก็รับสังข้พิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสหายสองคนนั้นคือโกริตะและอุปติสะกําลังมานั้นจะเป็นคู่สาวกของเราจากเป็นคู่อันเจริญชั้นเยี่ยมของเราเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าอัครเนี่ยแปลว่าเลิศนะบรรดาสาวกผู้เลิศที่สุดคู่นี้เป็น สาวกชั้นยอดของเราก็สหายสองคนนั้นพ้นวิเศษแล้วในธรรมะอันเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมมียาณวิสัยอันลึกซึ้งยังมาไม่ทำถึงพระเวรุวันพระาศาสดาก็พยากรณ์ดังนี้เนี่ยนะก็คือเป็นคนคนมีความรู้มีความสามารถมากเนี่ยนะเป็นคนที่หลุดพ้นบรรลุได้เห็นอริยสัจแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีฉลาดมีวิสัยทัพ ท, ที่กว้างขวางและลึกซึ้งอย่างที่หลายแห่งกล่าวว่า มเมล็ดทรายเนี่ยนะที่ที่มันไหลจากต้นน้ำเนี่ยที่แม่น้ำคงคาเนี่ยมันทรายเยอะขนาดไหนาจากต้นน้ำไปจนถึงทะเลเนี่ยทรายขนาดไหนว่าพอจะคำนวณได้ว่ามีทรายกี่เม็ดแต่ว่าพัญญาของพระสารีบุตรนี่คานวณไม่หมดหรือแม้กระทั่งว่าหลายๆหลายๆอุปมาว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญา ม, มากจริงๆ น, นะ แล้วก็พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าสหายสองคนนี้คือโกริตตะและอุปติสะกำลังมานั่นจะเป็นคู่สาวกของเราจากเป็นคู่อันเจริญชั้นเยี่ยมของเราเพราะว่าทั้งคู่นี้คือผู้ที่สามารถประกาศธรรมจักให้เป็นไปตามแนวกับที่พระพุทธเจ้าแสดงทุกประการนนะครั้นภาษาริบดโมฆลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วก็สบเสียนลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า จริงซบเสียนเสร็จก็เล่าความหลังให้ฟังว่าเนี่ยได้ไปชวนอาจารย์มาอาจารย์ก็ไม่มาเพราะงั้นไปชวนสันชัยปริภาชคมาเอ่อก็ไม่ยอมมาพระองค์ก็เลยตรัสข้อความในคาถาธรรมบทว่าชนเหล่าใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระความดำริของคนเหล่านั้นเลวทามเขาก็จะประสบแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระพ่อร่า จ่าสัญชัยถือว่าลัทธิของตัวเองนี่มีสาระแล้วก็ถือว่าเมื่อมีลัทธิมีบริวารเป็นที่มาของลาบสการะเนี่ยนะลัทธิตัวนี้และลาบสการะคือสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระอย่างนั้นว่าเป็นสาระซึ่งสิ่งที่เป็นสาระก็คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาสมถะวิปัสนามรรคผลควรจะเป็นสาระ ก็ไม่ถือเอาสิ่งเหล่านี้นะไม่ถือเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยนศ า, ศานทัศนะมรรคผลนี่ผ่านเป็นสาระมันก็เลยไม่ประสบแต่สิ่งที่เป็นสาระเพราะความคิดของเขามุ่งไปหาแต่อะไรมุ่งไปหาแต่ลทัทธิถึงคิดถึงแต่ทิฐิคิดถึงแต่ลาภสการะและสรรเสริญจิตใจหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่แต่ลาภสการะและเสียงสรรเสริญอยู่เท่านั้นก็เลยไม่มีโอกาสประสบกับสิ่งที่เป็นสาระไม่เหมือนกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ เพราะท่านเหล่านั้นเห็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าไม่ใช่สาระอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะที่แยกว่าอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระเป็นนี่เป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของคนเหล่านั้นประเสริฐก็คือสัมมาสังกปัปป์เนี่ยนะความดําริประเสริฐมันเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นสาระถูกต้องความดำริก็คลุ่นคิดแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นสาระเขาจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยนะพอจบลงก็ภาษาริบริเก็ขอบวช พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพวกข้าพระผู้เเจ้าพึงได้บรรปชาพึงได้อุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั่นแลเป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยนะ พระโมคขลานะใช้เวลากี่วันนะบรรลุอรหันต์เจ็ดวันใช่ไหมภาษาริบุตรอ่ะสิบห้าวันนะสิบห้าวันแล้วบรรลุก็แสดงว่าบวชต้นเดือนสามเนี่ยนะวันเพ็ญเดือนสามนี่เป็นวันมาฆะใช่ไหมแสดงว่าภาษาริบุตรพระโมคขลานะมาบวชวันขึ้นหนึ่งค่ำพอดีอะนะวันที่ท่านบวชมาคือวันบวชขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามเพราะนั้นวันเวลาผ่านไปเนี่ยนะเจ็วันพระโมกขลานะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ หลังจากนั้นนะวันเพนอะนะวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์เนี่ยนะจริงก็มีการบรรลุโดยลําดับพระโมคคัลลานะเนี่ยบรรลุที่กาละศิลาเนี่ยนะที่ที่กาละศิลาส่วนพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุที่ถ้าสุกระขาตาแต่ก็คงไม่ใช่ถ้าเดียวกันกับที่ที่คนไปอินเดียแล้วก็ชี้ให้ดูไม่ใช่ทํานั่นแน่ ก็ถ้านั้นต้องลงลึกเข้าไปเนี่ยนะต้องลงลึกเข้าไปแล้วก็ถ้าใหญ่เป็นถ้าใหญ่อันนั้นมันช่งอนหินหน่อยเดียวเนี่ยนะแต่เขาก็เอาไว้ให้คนที่ไปไปก็จะได้ไประลึกถึงอะนะไม่ไม่ได้เป็นของแท้ของจริงอะไรเราก็ไปได้ระลึกถึงทิ้งต่างสมมุติเอาก็ได้สมมุติว่านี่สุกรัขาตาไหอะไรมันจะเรียงจิตให้นะักท่องเที่ยวได้เดินทีเดียวแล้วก็ไปเห็นหมดเลยเกินไปของเงี้จยจำไว้ครับว่านำนเข้าไว้ให้นะให้ระลึกถึงแคเฉยอะนะ พอวันที่พระสาริบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยน ะ, อะตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชกุตเนี่ยนะเขาคิชกูตแล้วก็พระองค์ก็เหาะไปที่ที่ไหนที่เวลวันน่ยนะซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มีพระอรหันต์ประชุมกันอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยประชุมกันทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปแสดงว่าพระสัชชีเนี่ยไปจาริกที่อื่นต่อหรือไม่ ทางศาสนาเนี่ยตัวเลขจะเกินบ้างสองสามสเขาไม่ถือเป็นประมาณนะจะพูดปุรณะกถากว่าเอาให้มันเอาแบบตัวเลขที่มันจำ ง, ง, ง่ายๆนะอาจจะขาดบ้างเกินบ้างก็ไม่ไม่เป็นประมาณก็เลยกล่าวว่า 1,250 รูปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยนะแสดงโอวาทปาติโมกนะสัพ ป, ปะปัสสะาการนังเป็นต้นในวันมาฆาบูชาวันเพ็ญเดือนส ช่วงนั้นก็มีผู้ผู้ที่เริ่มเข้ามาบวชนี่ยเยอะขึ้นนะนะผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยเยอะมากเพราะสมัยนั้นกุระบดชาวมคตที่มีชื่อเสียงต่างๆก็พากันมาประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าประชาชนก็เลยพากันเพ่งโทษโพลทนาว่าพระสมณโคดมปฏิบัติให้ชายเนี่ยไม่มีบุตรพระสมณโคดมปฏิบัติให้หญิงทั้งหลายเนี่ยเป็นไม่ พระสมณะโคโดมเนี่ยปฏิบัติเพื่อตัดสกุลเงงันโอ้นี่บวชกันหมดแล้วขนาดนี้บัดนี้พระสมณะโคโดมก็ให้เฉลียนพันรูปบวชแลว้วเสร็จแล้วก็ยังจะไม่พอยังให้อาสิทธิ์ของอาจารย์สรรชัยอีก250คนบวชแลว้วกุลบตรชาวมกุที่มีชื่อเสียงต่างๆก็พากาันรประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักพระโคโดมอันหนึ่งประชาชนเห็นภิสูจนทั้งหลายก็เลยโจดพระพิสูจก็เที่ยวบินฑบัตในเมืองราชคเกเป็นพันรูปใช่ไหมก็เลยถูกด่าเลย พระมหาสมณะเสด็จมาสู่ปริพัะชะก็คือพระนครที่เป็นภูเขาล้อมรอบเนี่ยนะของชาวนครมาโคตแล้วเนี่ยก็นำปริพาชคสันชัยทั้งปวงไปแล้วบัดนี้จะนำใครไปอีกแล้วนะคอยเป็นห่วงแล้วเกินวาใครจะว่าถูกเกณฑ์นะถูกเกณฑ์ไปบวชคล้ายๆก็นึกแบบนั้นอะ พิสูจทั้งหลายได้ยินประชาชนเพ่งโทษติเตียนโพลธนาอยู่ก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเสียงนั้นจักตั้งอยู่ไม่ได้นานจักได้อยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นพ้นเจ็ดวันก็จักหายไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าชนเหล่าใดกล่าวหาต่อพวกเธอด้วยคาถานี้ว่าดังนี้ว่าพระมหาสมณะสเสด็จมาสู่คิริ พ, พระชาะนครของชาวมคตแล้วได้ทรงนำปริพาชกของพวกสันใจทั้งปวงไปแล้ว บัดนี้จะนำใครไปอีกเล่าพวกเธอจงกล่าวโต้ตอบชนเหล่านั้นด้วยคาถานี้ดังนี้ว่าตถาคตทั้งหลายเป็นพวกเลวกล้ามากย่อมทรงแนะนำชนทั้งหลายไปด้วยพระสัทธรรมเมื่อชนทั้งหลายอันพระองค์นำไปอยู่โดยธรรมะผู้เข้าใจอย่างนี้จะริษยาไปทำไมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นาไปด้วยอาจยาด้วยศาสตราด้วยอาวุธด้วยตัวบทกฎหมายอะไรรอกมไม่ใช่อย่างนั้น แต่นําไปโดยพระสัจธรรมนําไปโดยโพธิปัจยธรรมนําไปด้วยสติปัญญานสัมมปาปัญญาอิทธิบาทอินทรีย์พละใครก็รู้ว่าพระพุทธเจ้านําไปตามองค์มรรคเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะริษยากันไปทําไมจริงไอคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาก็คือพวกกลุ่มปริภาชกทั้งหลายผู้ที่กลุ่มเสื่อมลาภสการะทั้งหลายก็หาช่องเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายเห็นภิกษุทั้งหลายกล่าวตอบด้วยคาถาอย่างนี้แล้ว เจ็วันผ่านไปก็เงียบกริบไม่มีเลยเนี่ยนะไม่มีพูดถึงทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชครึกเนี่ยนะตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชครึกที่เวลุวันพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยนะพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชก็สดับว่าโอรสของเราทําทุกข ก, กิริยาหกปีบรรลุอภิสัมโพธทิยานอย่างยอดเยี่ยมประกาศพระธรรมจักรอันประเสรศิฐ เสด็จถึงกรุงราชจะครึกประทับอยู่ณนะพระเวรุวันมหาวิหารพระองค์ก็เลยตรัสเรียกมหาอมาตถ์ผู้หนึ่งมาตรัสสั่งว่าพะน า, ายมณีเนี่ยเจ้าพร้อมกับบุรุษพันหนึ่งเป็นบริวารจงไปกรุงราชจะครึกพูดตามคำของเราว่าพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชบิดาท่านมีประสงค์จะพบท่านแล้วจงพาอรสของเรามาคือว่าใช้อำนาจกรรษัตริย์สั่งลงไปว่าพ่ออยากพบขอให้ลูกไปพบพ่อด่วนอะไรครับจดหมายด่วนอะไรแบบนี้เนะ มหาอมาตถู้นั้นก็รับพระราชองค์การแล้วมีบุรุษพันหนึ่งเป็นบริวารเดินทาง60โยศเข้าไปยังไปยังไหนเวรุวันมหาวิหารในเวลาแสดงธรรมพอดีไปถูกเลือกทุยามมากมหาอมาตถู้นั้นก็คิดว่าข่าวที่พระราชาส่งมาเนี่ยพักไว้ก่อนก็ยืนท้ายบริษัทฝัฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาทั้งที่ยืนอยู่ก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับบุรุษพันหนึ่งทูลขอบรประชาว่าไง พระศาสดาก็เหยียดแขนพระหัตถ์ตรัสว่าเอทะภิกโคพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดชนเหล่านั้นทั้งหมดก็สงบ่าจีวรสำเร็จด้วยฤทธันใดพร้อมด้วยกิริยาที่เหมาะแก่สมณนะประหนึ่งพระเถระร้อยพรรษาเวทล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าลืมเลยเคือหมายเขาว่าเอาตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นอมาตะแล้วพ้นจากความเป็นอมตะแล้วไปทําตามคําสั่งพระราชาทําไมพระราชาก็คิดว่าคนที่ไปก็ยังไม่มาข่าวก็ไม่ได้ยิน โอ้ยเนี่ยพวกนี้ไม่รักเราเลยเนี่ยนะที่คิดถึงลูกกันนะพวกนี้ไม่รักเราเลยไปแล้วก็หายเงียบก็เลยส่งไปอีกคนที่2พร้อมกับทหารอีกพันหนึ่งคนที่3 4มสี่ห้าหกดแปดคนหมดทหารเลยแล้ว9ก้าพันเกาคนเนี่ยนะอมาตย์เคนทหารอีก900าเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครสักคนเดียวกลับมาทูลกลับมาส่งข่าวคราวเพราะทุกคนบนรรลุเป็นพระทหาบรบวชหมดอยู่นั่นแหละ ครั้งนั้นพระราชาก็คิดว่าใครนะาะจะทําตามคําของเราก็ตรวจดูกําลังส่วนของราชสํานักทั้งหมดก็เห็นกาลุทายีอมาตเล่ากันว่ากาลุทายอมาตนั้นสําเร็จราชการทั้งหมดของพระราชาเป็นคนภายในมีความสนิทสนมยิ่งนักเกิดในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์เป็นพระสหายเล่นฝุนมาด้วยกันก็เขามีสหาชาติใช่ไหมสหาชาติคนที่เกิดวันเดียวกันเนี่ยนะมีใครบ้างพระอ น, นุนะหนึ่งพระอนุน พนางยโสธราพิมพาม้าคันตกะต้นโพขุมทรัพย์เนี่ยนะขุมทรัพย์แล้วใคอีกก็การุทายีอัมมาแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยรวมเป็นเจคนด้วยกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโดยเฉพาะพระพุทธเจ้ากับการุทายีอัมมาเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนรักกันมากเลยนะสมัยเล็กๆกันนะก็เล่นมาด้วยกันอะไรมาด้วยกันครั้งนั้นพระราชาก็เรียกการุทายีอัมมาแล้วก็ตรัสว่าอุทายีลูกเอ้ยว่าไง พ่อเนี่ยประสงค์จะพบโอรสก็ส่งบุรุษไปถึง 9,000 ันคนมากันแล้วจะบอกเพียงข่าวแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีน่าจะกลับมาส่งข่าวกันบ้างสักหน่อยก็ยังดีนส่งไปแล้วก็หายเงียบ ก, กันสำนวนหนึ่งก็บอกว่ายัางก็ว่าให้ไปเอาไฟที่เมืองยักษ์ของกันถูกยักษ์เคี้ยวกินหมดะนะแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทุกคนเนี่ยไปอะไรนะไปอภิเษกบรรลุมรคผลกันเรียบร้อยหมดเลยนะ ก็เลยคิดว่าอันตรายแห่งชีวิตของพ่อรู้ได้ยากนะพ่อก็แก่แล้วเนี่ยนะคือท่านก็มีบุตรคือพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยได้ได้ลูกตอนที่อายุค่อนข้างพอสมควรนะอายุ4ี่สิบกว่าแล้วเนี่ยตอนที่มีลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้สาสิบห้าปีบวก4ี่ิก็อายุเกือบ80ดสิบแล้วเนี่ยนะก็คิดถึงลูกมากนะเกือบ80ดสิบแล้วอ่ะก็เลยพ่ออยากจะพบโอรส แต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกจักพารถมาแสดงแก่พ่อได้ไม่ลูกนะแสดงว่าท่านก็รู้ตัวนะเพราะว่าท่านก็หลังจากนี้อีก5ปีท่านก็ปรินิพานนะแสดงว่าก่อน5ปีก่อนจะสิ้นชีวิตนี้ก็รู้แสดงว่าพอจะรู้ว่าลักษณะสุขภาพของตัวเองดีการลูกทายีอมาก็กราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้บวชนะหมายคถาว่าทูล น, นิมนต์ได้แหละแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องได้บวช คือท่านก็อยากบวชมากะนะแต่ว่ามันก็ไม่มีใคระนะเพราะว่าทุกคนก็ออกไปหมดแล้วอะไรไปหมดแล้วว่าทางานต่างประเทศถ้าการทําหน้าที่สําเร็จราชการอยู่มัก็เลยใช้ให้ไปก็ได้แต่ว่าขอบวชแต่ใจท้องท่านเหล่านั้นก็อยากบวชนะเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่สั่งสมบุญมาแสนกลับโดยมาอย่างกาลุทายอามาเนี่ยทำบุญมาแสนกลับแล้วเป็นเอตะทะคะนะว่าทําสกุลให้เลื่อมใสเพราะว่าพระกาลุทายีอามาเนี่ยนะ เป็นผู้ที่ทำสกุลของพระเจ้าสุดโทธนะให้เลื่อมใสตั้งแต่ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าพันก็เลยเป็นเอตทกคะพันพวกนี้ถึงจะว่าอยู่ในตำแหน่งสูงยศใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรมีอัธยาศัยในนิสรณัตทายาสายัยมีอัธยาศัยที่จะพ้นทุกข์โดยส่วนเดียว